สังใจสมท า, านสินก่อนที่จะสมาทานสินหลวงพ่อจะขอแนะนำคุณค่าประโยชน์ของสินให้กับคณะสัทธาญาณโจมแต่ก็รู้ละคุบาอาจารย์มาไมรู้ว่ากี่ท่านกี่รูปนะแต่ก็เป็นที่หลวงพ่อมานะก็ย้ำอีกจุดหนึ่งเพื่อให้คณะสัทธาญาณโจมลูกหลานเพราะว่าการอยู่ด้วยกันมากมาย ต้องมีกฎกติกามีกฎหมายคุ้มครองยังไม่พอต้องมีศีลธรรมอีกคำว่าศีลคำนี้แหละคุ้มครองมาตั้งแต่ดึกดำบรรตั้งแต่ยาวนานเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าสวยพระชาติในชาติต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นสมาทานศีลศีลห้าศีลอุโบสถเป็นพื้นฐานเพราะนั้น พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรจะศึกษาตามแนวแถวนั้นคือการอยู่ด้วยกันถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเราจะร้องตะโกนอยู่ทั้งวีทั้งวันด่าใครเล่วด่าอะไรก็ได้อยู่คนเดียวถ้าอยู่สองคนขึ้นมาแล้วก็ต้องระวังถ้าสามคนขึ้นไปถ้ามากคนอย่างทีโอทีของพวกเราเนี่ยจิงระมัดระวังที่จะแสดงออก ทังกายทั้งวาจาต้องระมัดระวังเพราะนั้นศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลเพราะนั้นวันนี้เมื่อพระสงฆ์มาถึงหลวงพ่อมาถึงพวกเราจรึงเลยกล่าวสรรเสริญระยกเชิดชูบูชายกย่องที่บรรพบุรุษของพวกเราที่นับถือกันมาว่าศีลทาให้เป็นศีลทำให้คุ้มครองโลก กลุ่มของพวกเราที่อยู่ด้วยกันนานเท่านานจะร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้าหากว่าไม่มีสินแล้วคนในยุคนั้นกลุ่มนั้นคณะนั้นหรือวัดทีโยทีของเราก็เถอนะน่าถ้าเป็นคนต่างคนต่างไม่มีสินไม่มีกฎกติกาแล้วพวกเราคงจะอยู่ด้วยกันลำบากไว้ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะฉะนั้นวันนี้มาพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อมาถึงจะได้กล่าวอาราธนาศิน สินข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันเมื่อพวกเราคิดฆ่ากันต่างคนต่างคิดฆ่ากันพวกเราก็จะหาความสงบไม่ได้เราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่พี่น้องของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเ อ, อเขาเสียใจแต่ไม่รู้ว่าใครมาฆ่าในเมื่อเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเราก็เช่นเดียวกันเราก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นกลางท่านจึง มีสินว่าอยากคิดฆ่ากันคือปานาติป่าตาขอได้สองอธินาธานาคืออยากคิดขโมยกันถ้าเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเรามีความรู้สึกยังไงเมื่อเขามาขโมยของเราในเมื่อเราไปขโมยของเขาเขามีความรู้สึกยังไงถ้าไปขโมยพ่อแม่พี่น้องของเขาเมาเรียกค่าไทยเราไปเขามาทำให้กับเรา เราไปงัดตู้เซฟเขาเอของที่เขาหวงแหนไปขโมยสิ่งของรถของเขาที่เขารักส่งมลหวงแหนเขามีความรู้สึกอย่างไรเราไม่รู้ความรู้สึกของเขาแต่เขามาทำให้กับเราเมื่อไรเมื่อนั้นเราจะรู้สึกว่าเสียใจมากเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นกลางท่านบอกท่านมองเห็นแล้วว่าการขาโมยกันไม่เป็นผลดีทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้ นั้นจึงบัญญัติศินข้อที่สองข้อที่สามกาเมสุมิสาจาราเวระมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจถ้ า, เ, าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศินข้อที่สให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกัดเพราะต่างคนก็ต่างมีสามีภรรยาลูกหลาน ต่างคนก็ต่ตางรักจังวนหัวงแหนของใครของเราให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอถ้าว่าการสู่ขอตามประเพณีอันนั้นคือประเพณีถูกต้องตามกฎกติกาที่ตั้งได้ที่ตั้งกฎกติกากันเอาไว้แล้วนะอันนี้คือสินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรามาณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียความรู้สึก ถ้าเขามาทำให้กับเราเราก็เสียความ ร, รู้สึกเช่นเดียวกันไปเขียนเช็คแต่งให้เขาหรือไปหลอกลวงทางโทรศัพท์มากมายทุกวันนี้บ้านโลกจเจริญเท่าไหร่วัตถุจเจริญเท่าไหร่ความโกหกต้มตุนหลอกลวงตามมามากมายจนตามไม่ถึงจนคิดไม่ถึงบางครั้งนี่แหละทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนเหมือนกันเพราะนั้น การมุสามุสาวาเป็นผลเป็นทางที่ไม่ดีทำให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายเพราะว่าการโกหกกันนะเห็นไหมละ่ะโกหกเพียงหวยสามสิบล้านเพียงแค่นี้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่จบโกหกโกหกไม่ใช่ธรรมดานะแ่ถ้าว่าเกิดประเทศชาติบ้านเมืองโลกไหนก็ุกไหนก็ตาม ถ้ามีการโกหกมากๆขึ้นมาพวกเราอย่าหวังในความสุขจะเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าการอยู่ด้วยการท่าโกหกกันไม่เป็นผลดีเพราะนั้นให้พวกเราสำรวมระวังอันนี้คือศินข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชช้ประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคาว่าสุราเหล้าเมลยัยเบียร์ขันชา่ายาฝิ่นเฮรโรอีนโคเคน อะไรก็ตามถ้าเด่มหรือเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้วทําให้ขาดสติในเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้สินข้อที่หนึ่งก็ขาดจะขโมยใครก็ได้สินข้อที่สองก็ขาดจะระรางประร่วงในสามีภรรยายลูกหลานของใครก็ได้สินข้อที่สามก็ขาดจะโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงใครก็ได้เพราะขาดสติสินข้อที่สี่ก็ขาด เพราะฉนั้นสินข้อที่ห้าเป็นศินที่อันตรายอย่างมากข้อหนึ่งแต่คนไม่ไม่ค่อยจะมองเห็นศินข้อนี้นะเพราะฉนั้นไปที่ไหนก็เห็นเกินไปหมดเพราะอะไรเพราะเถือว่าไม่จําเป็นไม่สําคัญแต่หลักของพุทธศาสนาแล้วท่านดื่มหรือเสพเข้าไปแล้วขาดสติเอาที่หงทรงที่ว่าขาดสตินะทําความชั่วได้โทุกอย่างเพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกนชนพุทธบริษัท เป็นลูกศิษย์ของพุทธเพระพุทธะเนี่ยเป็นทำงานในบริษัทของพุทธะพุทธะบริษัทเหมือนกับบริษัททีโอทเนี่อันนี้บริษัทของพุทธะให้พวกเราศึกษาและฝังเอาไว้พระพุทธเจ้าท่านสอนแนะนำอย่างไรถ้าว่าพวกเราปฏิบัติได้ตามแนวแถวของพุทธะแล้วพวกเราจะมีแต่ความเจริญร่มเย็นผาสุขเมื่อพวกเรารู้คุณค่า ของศีลที่อาตมาที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังแล้วต่อนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลกฎกติกาอย่างอื่นครูบาอาจารย์มารมแสดงธรรมเทศนาแห่งนี้ก็ คงครูบาอาจารย์คงจะมีกฎกติกาบอกกล่าวให้กับพระนจธาญาจมลูกหลานได้ฟังะหลวงพ่อมาเห็นก็ซึ้งใจหลวงพ่อเคยมาครั้งหนึ่งคราวก่อนนะลูกหลานที่มาแสดงธรรมในห้องประชุมใหญ่ในคราวนั้นแต่ไม่รู้ห้องตรงไหนไม่ทราบแต่ก็เลยล ง, ลงมาดูอันนี้เป็นห้องปฏิบัติธรรมครับในคราวนั้นหลวงพ่อก็ได้มาเห็นอถ้าว่าเป็นคนกลุ่มน้อยจะมาฟังที่นด้แต่วันนี้หลวงพ่อได้มา ในมาจุดนี้นะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ตามไม่จริงก็หลวงพ่อเองก็เห็นด้วยนะเพราะชุมชนกลุ่มใหญ่ขนาดนี้ก็ควรจะมีสถานที่ปฏิบัติไม่ใช่แต่ในประเทศไทยนะหลวงพ่อได้ฟังข่าวทุกวันนี่นะชาวต่างชาติต่างภาษาชาวยุโรปทิงนี่เขเป็นเป็นสถานที่ฝึกสมาธิแล้วเดี๋ยวนี้ทั่วโลก พราะเราวิ่งตามด้านวัตถุไปมากต่อมาก อ, อวิ่งหาเงินหอคําทรัพย์สมบัติหาวัตถุก่อสร้างหาวัตถุสิ่งของต่างๆวิ่งไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเดือดร้อนยิ่งทุกข์ใจเพราะเหตุไรคิดว่ามันจะหามามากเท่าไหร่คิดว่ามันจะเป็นที่พอใจหาได้เท่าไหร่ก็ยิ่งโลภมากแตนะ่เพราะนั้นมันโลภออกไปออกไปจากไหนออกไปจากใจเพราะนั้นทุกคน ทำให้ใจสงบทำให้ใจเน่งทาให้ใจมี break. เบรกแล้วก็ใจมีคันเร่งเร่งในส่วนสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เบรกในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องออแล้วก็พวงมาลัยหมุนไปในทางที่ถูกต้อง เ, ออเพราะฉะนั้นใจของเราควรจะมี break. เบรกมีคันเร่งมีพวงมาลัยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเรามีสมาธิ เราจะอยู่ในคนโถนห้องเราได้นะบังคับได้นะถ้าว่าจิตใจไม่มีสมาธิน่ะเตลิดเปิดเปิงนะศรัทธาแย่โยมลูกหลานเพราะอะไรเพ่อะเบรกมันเบรกแตกนะอไม่มีพวงมาลัยต่างหากพวงมาลัยหลุดอีกต่างหากแล้วคันคันเร่งโดยมากไม่จะเหยียบแต่คันเร่งไปในทางที่ไม่ถูกต้องเอที่จะเบรกนะ่ะหายยากเนี่ยคันเร่งไปในทางที่ดีมันก็ดีนะ แต่บางคันแเร่งไปในทางที่เร็วนี่เฉมันเป็นส่วนมากพอใจของเรามันไปทางต่ำอยู่แล้วพอมันไหลไหลกับไหลไปทางต่ำเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะชทตทญาติโยมลูกหลานทุกคนเนอะที่เป็นสถานที่ฝึกทั้งหัดทั้งด้านจิตใจหลวงพ่อว่าว่มีประโยชน์มากสำหรับชุมชนสังคมแต่ละจุดนะควรจะเป็น อย่างที่น่อย่างที่พวกเราทำนั่นแหละ TOT ทำเนี่ยหลวงพ่อเห็นด้วยนะเะป็นสมาคมใหญ่ๆควรจะมีการฝึกจิตฝึกใจควรอรุรโคคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีในชุมชนของพวกเรานะ <c oughs> และก็วันนี้เป็นวันที่14กันยายนพุทธศักราช2561งานทาบุญบรรยายธรรมประจำเดือนช่วงเข้าพรรษาปี61ณนะนะห้อง ชมรมพศบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะหลวงพ่อเองมาในคราวนี้ก็ไม่ได้มาด้วยความอนิมนต์หรือว่าตั้งใจของสัทธายาจโฉมทั้งสองฝ่ายทั้งสัทธาญาจโฉมก็ไม่ได้ตั้งใจหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเพราะหลวงพ่อลงมาทําทุระมาจาก อ, อุดร อก็มาพักที่สวนแสงธรรมแล้วก็เมื่อเช้าไปฉันที่กิจนิมนต์และก็วันพรุ่งนี้คงจะฉันที่อ <c oughs> สํานักนี่แหละสวนแสงธรรมและก็วันพุ่งเมื่อลือนี่ก็ไปคงจะไปฉันที่จิตโพชนาภาคแล้วก็คงจะกลับอันนี้ก็คือหลวงพ่อลงมาคราวนี้ครั้งนี้จะกลับคงจะกลับวันที่สิบหก แต่เนี่มาถึงเมื่อเช้านี่หลวงพ่อสามนะแหมหลวงพ่อสามองที่ปทายที่เป็นรุ่นน้องของหลวงพ่อเคยอยู่บัตรด้วยกันได้ก็ามาพบกับหลวงพ่อตอนเย็นเมื่อวานเนี่ยท่านก็บว่าเออผมรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีมันรู้สึกวิยงเวียงซีษะแล้วก็มีไข้ด้วยหลวงพ่อเอ้ยน่าจะตรวจให้ดีนะ่สามว่ า, บ, าบ้านเมืองยุคสมัยทุกวันนี่หมอ ความเจริญของแพทย์ของหมอขนาดนี้แล้วไ ม, ไม่ไม่ด้จะมีไข้งอกแง้งๆงงนะวะจากนั้นท่านก็ได้เข้าโรงพยาบาลเมือม่อเมื่อคืนเนี่ยอเมื่อเช้าในท่านก็ได้โทรมาบอกว่าท่านอาจารย์พอว่างไหมอะไรแต่สามท่านบอกว่านี่หมดท่านอาจารย์ผมรับนี่มนทีโอทีไ้แล้วเดี๋ยวมันจะขาดช่วงไม่รู้จะหาองค์ไหนมาแทนผมคิดว่าผมจะไปแต่ลนะแต่หมอก็ไม่ให้ไปใช่ไหมท่านผู้ชม หมอเขาห้ามไม่ใหไ้ไม่ให้ออกมาผมก็เลยต้องต้องอยู่เหตุว่าท่านอาจารย์พอจะอมาแทนมากรุณาอมาแทนกับผมได้ไหมครับทัศนอาจารย์เราก็อืมอ้าวทีโอทีเขาว่าอย่างไงล่ะ เ, เมื่อท่านจะมาเทศเอาองค์อื่นไปเทศ่ะลูกน้องพี่น้องลูกหลานเขาจะพอใจไหมเนี่ยวะเราก็ว่าอย่างนั้นน่ะเสจะได้ก็หลงพ่อเอเอเดี๋ยวจะโทรถามอีกรอบหนึ่งนะ ใช่พอขอถามเออเอหลวงพ่อฉันยังหัรใจแล้วก็ไปกลับไปสวนแสงธรรมแล้วก็คงจะมาได้จังในมาพบกับลูกหลานเนี่ยลูกหลานเออแต่จะให้เทศนาว่าการห้าวหาญเหมือนกับหลวงปู่หลวงพ่อสามดวงคงไม่ห้าวหาญนะหลวงพ่ออินนะคงแล้วคนจะคนละจะตายกันนะ <c oughs> เออแต่หลวงพ่อสามดวงเนี่ยเทศนาห้าวหาญนะ <c oughs> แต่หลวงพอ่อหลวงพ่ออินเนี่ยพูดไปเรื่อย <c oughs> แต่ถึงยังไงก็ตามแต่มาพบกับศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านแต่เรื่องศีลสมาธิเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องศีลก็ครูบาอาจารย์คงจะพูดมามามากต่อมาแต่เรื่องสมาธิก็เช่นเดียวกันท่านก็จะท้องพูดถึงเรื่องสมาธิด้วยแต่ถึงยังไงเรื่องสมาธินี่ ม, มีมันกว้างขวางพอสมควรยิ่งปัญญาวิปัสสนาและยิ่งกว้างขวาง เรื่องสมาธิก็ต่างองค์ก็ต่างเป็นแนวทางของใครของเราเพราะนั้นเรื่อง ก, การที่จะฝึกหรือสอนสมาธินี่ก็ไม่ใช่ของทำได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าปุบปรับขึ้นมาหลับตาพุโทโธขาขวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับไาซ้ายพุโทโธพุโทโธเจ็บแล้วนี่แหละเป็นครูสมาธิได้แล้วใช่เป็นครูในระดับหนึ่ง อสอนที่คนยังไม่รู้เราก็ไปสอนให้อย่างนั้นได้อแต่ว่าจะสอนให้ลึกซึ้งกว่านั้นลงไปเนี่ยนะอันนี้มันต้องศึกษานะที่นี่นะสมาธินี่อสมาธิคํานี้ถ้าหากว่าฝึกให้ให้ดีก็ดีนะต้องศึกษาให้ถีท่วนท่วนทีพอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อเองเอตั้งแต่เป็นสมณีน บวชมาแตงสิบเอ็ดสบสองปีจนถึงป่านนี้จนถึงอายุเจ็ดสิบสี่ปีจะเข้าเจ็ดสิบห้าปีนี่ ล, ลูกหลานอลองพอ่อเกษิษมาเรื่องอยู่กับครูบาอาจารย์เรื่องสมาธิแต่สมาธิบางทีบางครั้งครูบาอาจารย์พอจิตสงบลงไปก็ท่านให้เพ่งข้างนอกเพื่ อ, อต้องการอพิเนหานและลึกชาติผลหลังได้ก็มี แล้วก็ดูอนาคตของตนเองก็มีแล้วก็ดูนรกสวรรค์ก็มีแต่หลวงพ่อได้ศึกษามาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแล้วท่านว่าห้ามเด็ดขาดอย่าไปส่งจิตออกนอกถ้าส่งจิตออกนอกแบบนั้นเป็นบ้าได้นะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำถ้ามีครูบาอาจารย์แนะนำครูบาอาจารย์แนะนำก็ไม่ควรจะให้ส่งจิตออกนอก ขณะที่ผู้เข้ามาฝึกขัดใหม่ยังไม่รู้ทางหนีทีไร่อต้องให้อยู่ในสมาธิสก่อนในเมื่อรู้จักทางหนีทีไร่แล้วอจะฝึกยังไงจะไป ย, ไยังไงยัค่อยว่ากันอีกทีหนึงแต่ว่าจิตที่ประเภทโลดผลอย่างนั้นมีร้อยในห้ามีร้อยในห้าคนร้อยหนึ่งอาจจะมีห้าคนจิตที่โลดโผอถ้าโดยมากก็จะเป็นจิตที่ไม่โลดโผนจะมากกว่า เพราะนั้นให้ตองศึกษาเนี่ยนี่แหละวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องสมาธิให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษานะในแนวแถวของที่หลวงพ่อเข้าใจมาหลวงพ่อได้ศึกษามาอหลวงพ่อจะมาแนะนําถ่ายเทถ่ายทอดให้กับคณะสัตา ย, ยาญาติโยมลูกหลานแต่องค์อื่นมาถ่ายเทถ่ายอทอดรับพวกเราก็ฟังเอาไว้นะอแต่หลวงพ่อพูด่ให้พวกเราก็ฟังเหมือนกันอแต่เมื่อฟังแล้วให้ศึกษาดู ในเมื่อได้ยินอันไหนมาต่อไปภายภาคหน้าหรือว่าได้ยินเรื่องอะไรมาแล้วก็เป็นแนวทางหนึ่งเป็นทางเลือกทางหนึ่งสําหรับพวกเราที่เข้ามาศึกษาเพราะว่าหลักธรรมคาสอนของพุทธะเนี่ยมันจะอยู่กับผู้ใดใครผู้หนึ่งนะเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมและวิัไอนั่นแหละจะเป็นศาสตาของพวกเธอท่านทั้งหลายเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วนะอท่านมาได้มกไพรสาริบุตรโมกขลา หลงตามหาบัวหลงปู่ฟัน่นหลงปู่เทศเป็นลูกศิษย์ของเรานะต้องเออท่านอินนะเป็นลูกศิษย์เป็นตัวแทนของเราตถาคตนะไม่ใช่นะพวกเราก็คือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์นะพระธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะเนี่ยแหละเป็นตัวแทนพรพวกเราต้องศึกษาเข้าไปค้นคว้าศึกษาดูตามแนวแถวของพุทธะที่ท่านสอนอย่างไรเนะนี่ยแหละขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนแต่บางคนก็บอกว่านั่งสมาธิอย่างนี้ อมันผิดนั่งสมาธิอย่างงุ่นเดินยกรมอย่างนี้อต้องเดินอย่างนี้ต้องเดินอย่างงั้นแต่หลวงพ่อพูดได้เลยนะั้นลูกหลานคณะสัตยาญาติโ ย, ยมทุกคนจะเดินยังไงจะนั่งยังไงจะนอนอยังไงในอริยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนนะถ้าหาว่าขาดสติแล้วไปว่าใช้ไม่ได้ทั้งนั้นถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ในทุกทุกอริยาบทยืนเดินนั่งนอนแต่ แต่นอนหลับไม่เอานะแต่นอนหลับแล้วมันขาดปล่อยวางแล้วไม่เอาล่ะออย่าไปยึดว่ากฏการนอนหลับนะั้นเป็นการภาวนาเจตนิมิตรละเมอเพ้อฝันยังไงก็เถอะอันนั้นไม่ใช่เรื่องภาวนาแล้วเอแปลว่านอนคือว่านอนชี้ฮะสายญาณนอนภาวนาพุทโธบางคนก็นอนไม่หลับเนี่ยกำหนดจิตกําหนดใจภาวนาพุทโธพุทโธมีสติสัมปชัญญะนี่แปลว่าอันนั้นเป็นแนวแถวแนวแถวของอมัก คือหนทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแต่ถ้าหากว่าถึงเราจะนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลับตาเดิ่งแต่ใจของเราคิดไปถึงนู่นอเมริกาอังกฤษที่ไหนก็ไม่รู้รอบโลกจั ก, กรวาลร้านโอหงร้านอาหารที่ไหนก็ไม่ทราบอันนั้นแปลว่านั่งคิดนั่งปรุงนั่งนั่งฟุ้งนั่งซ่านใช่ไม่ได้ จะเดินจงกรมก็ตามเจอดเยือนเดินชาเดินเร็วเจะเยินทุกย่องเอยกขก้าวเนาะขานอกก็จริงอยู่แต่ว่าใจของเราไม่อยู่ในการก้าวเดินคิดปุงฟุ้งไปทางอื่นยิงเหมือนกันอันนั้นก็ไม่ใช่เอไม่ใช่ทางไม่ใช่แนวปฏิปทาไม่ใช่แนวของพุทธะไปวันนั่งเดินปุงเดินฟุ้งเดินชาไม่ดีเอนั่งยืนเดินนั่งเอยืนก็เหมือนกัน นอนก็เหมือนกันอหมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้ยึดว่ามีสติสัมปชัญญะไหมในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนถ้าหากว่ายืนเดินนั่งนอนมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองอยู่นั่นแหละคือการทําความเพียรหรือการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมหรือสมาธิธรรมแต่ถ้าหากว่าเราขาดสติอแล้วไม่จัดว่าการภาวนา ไม่จัดว่าเอการบําเพ็ญสมาธิเป็นการปุงฟุ้งนั่งคิดนั่งปู่งนั่งฟุ้งนั่งจาดใช้ไม่ได้นี่แหละให้พวกพวกเราฟังเอาไว้แต่ว่าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวท่านบอกเวลานั่งนั่งยางไงจึงจะถูกต้องท่านว่านั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเอจากนั้นแต่หลงปูมั่นหลงปูล่า ที่ท่านสอนหลวงพ่อเนี่ยที่เป็นสมณีนท่านบอกว่านลวงปูล่ลาเนี่ท่านสอนหลวงพ่อว่านั่งนั่งเสร็จแล้วให้ปรนนมมือขึ้นระวางอกซะก่อนนะ <c oughs> คือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนคือที่เราทําสมาธิเนี่ <c oughs> ไม่ใช่เราคิดได้คิดทําไม่ใช่ว่าเป็นของครูบาอ า, าจารย์ครูบาอาจารย์ก็จริงอยู่ที่ท่านแนะนําแต่ว่าต้นหลักจริงๆคือพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้ว ให้ปนมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูเสก่อนพุทโทธธรรัมโมสังโฆพุทโทธธัมโมสังโฆพุทโทธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นจะแผ่เมตตาย่อๆก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นดวงใจอื่นๆขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าเจ้าปรารถนาทําไมจึงมีเมตตาด้วยในช่วงนั้นเพราะว่า การที่จะนั่งภาวนาในช่วงนั้นบางทีเรามีอาการขุนเคืองกับเรื่องต่างๆที่การทำงานบ้างกับหมูพวกเพื่อนกับใครๆบ้างเราต้องตัดจลัดทิ้งข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการปรารถนาเพราะนั้นเราไม่ต้องคิดถึงคนอื่นเต้องให้ปอตัดอารมณ์จุดนั้นทิ้งทั้งหมดซะก่อนจากนั้นเอามือลงเลยทไมเราจึงไหว พุโทโธธรโมโอจงโโหเพราะว่าทำคําสอนจุดนี้คือวิธีการทําสมาธิคือพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์สาวกนํามาบอกกล่าวเจ้ารับเพราะนั้นเราจรึงไหว้ครูซะก่อนครูบาอาจารย์ซะก่อนอจากนั้นจึงนั่งภาวนาบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่ตามไม่จริงพระพุทธเจ้าตั่งที่โคลนต้นโพเราก็ได้ศึกษาในปฐมสมโพธิหรือพุทธประวัติ พระพุทธองค์บอกว่าหายใจเข้าบริรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกแต่นี่คือกรรมฐานของพุทธะที่ท่านได้จัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนตคือกนกุญแจดอกแรกแต่ที่มาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูม่ม่นของพวกเราในยุค ป, ปัจจุบัน หลวงตามหาบัวหลวงปู่ต่างๆในยุคนี้ท่านก็สอนว่าหายลมกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายควรจะสำทับกับพุทธโธเขาด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธเนี่ยอความเป็นมาของบริกรรมพุทธโธก็ไม่ใช่อื่นใครถ้าหาว่าใครภาวนาและกําหนดลมหายใจเข้าออกเฉยๆก็ไม่ผิดกติกานะ แล้วจะบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ไม่ผิดกติกาแล้วว่าหายใจเข้าทำให้ใจออกโมก็ไม่ผิดกติกาอหายใจเข้าสังหายหายออกหายใจเข้าสังหายออกหายใจออกโโก็ไม่ผิดกติกานะได้ทั้งนั้นอแต่ข้อสําคัญให้มีสติสัมปชัญญะถ้าขาดสติอะไรจะบริกรรมอะไรก็ ต้งหลุดทั้งบริกรรมตัวเองบริกรรมด้วยอันนั้นใช่ไม่ได้ไม่ใช่ภาวนานะนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย ท, ทุกทุท่านนะให้เข้าใจตามแนวแถวของพุทธะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวจากนั้นเมื่อเรานั่งภาวนาเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันเราจะเดินแบบไหนก็ได้แต่มีสติสัมปชัญญะแต่หลวงปู่มันท่านบอกว่า อการเดินโยงกลมคือทําอากับกิจยานในการเดินถ้าเดินธรรมดากเหมือนธรรมดาไปแต่ถ้าเราเดินเป็นที่เป็นทางทางเดินโยงกลมของเรากําหนดไว้เราควรจะเดินแล้วก็ปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกซะก่อนกําหนดเช่นทางประมาณสักสิบยี่สิบเมตรประมาณนี้แหละอย่าให้มันยาวเกินไปอย่าให้สั้นเกินไปเอถ้าสั้นเกินไปมันเวียนทิศถ้าว่ายาวเกินไปพวกสัตว์มันผ่านที่การเดินของเรา มันผ่านเข้ามาได้ง่ายผอกมดผอกแมลงต่างๆแมโมเลง็งแมลงปลง่งแมลงปลง่อ ง, งมันผ่านเข้ามาถ้าเราอยู่ทางสั้นๆเราก็มองเห็นจากนั้นเราก็ไหว้ครูซะก่อนยกปนมยกมือขึ้นวาง อ, อกก่อนพุทโธ ท, ทำโมสังโฆซะก่อนอจากนั้นก็เอามือลงการเอามือลงอย่าเอามือควายหลังถ้าเอามือควายหลังเหมือนกันนักเลงนักฐานนักเลง ถ้าเอามือกอดอกคือเจ้าทุกคนมีทุกในจิตใจเอามือกอดอกถ้าก้อยไกวแขนคืออากับกิริยาธรรมดาถ้าเอามือประสานทางหน้าท้องมือขวาทับมือซ้ายเออมือซ้ายอยู่ข้างนอกมือขวาอยู่ข้างในอยู่ในระหว่างท้องน้อยอันนี้คือท่าลำพึงไอ้ทำอากับกิริยาท่าลำพึงอันนี้คือการภาวนาการเดินจงกลมแต่ว่าเราจะเดินยังไงก็ได้จะวิ่งก็ได้จะวิ่ง ในสายพานก็ได้ที่ไหนก็ได้จ็อกอกิ้งก็ได้แต่ให้มีสติสัมปชัญญะถ้าว่าเรามีสติสัมปชัญญะนะนั่นแหละคือการภาวนาการเดินใ น, ในทางที่ถูกต้องอถ้าหว่าจะเดินยังไงก็ตามถ้าขาดสติแล้วไปว่าไม่ใช่เดินภาวนาเดินนั่งเดินคิดปุ๋งฟงุ้งซ่านอันนี้ก็คือแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนสินิตญาณุสิทธิ์ของท่านหลวงพ่อได้ศึกษามาก็ปฏิบัติตามนั้นนะ นี่คือเอาเอามือประสานที่ท้องนี่คือการภาวนาอันนี้ก็คือวิธีการทําแต่ทที่ผลออกมาแล้วเป็นอย่างไรเอ่อถ้าหาว่าพวกเราคอยผลสิเนี่เออถึงจะทํำยังไงก็ตามผลออกมาเป็นยังไงจิตใจของเร า, เาได้รับความสงบไม้มเน่งไหมอันนี้แหละคือจุดผ่องผลของมันแต่หลวงพ่อก็แนะนําบอกกล่าวกับศรัทธาญาติโยมอีกว่าหลวงพ่อเคยทดสอบทดลองดูเอง จิตใจของเรามันเผลอเวลาไหนเออเวลานั่งภาวนามันสแสวบไปมันขายขาดไปไม่รู้มันออกเวลาไหนหลวงพ่อก็เลยบอกว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายทดลองนับดูนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าหกจนถึงร้อยถ้าไม่เผลอะนะคือหายใจเข้านับ 1, หนึ่งหายใจออกนับสองหายใจข้อนับสามสี่ห้าไปถึงร้อยไม่เผลอ แล้วก็ให้กลับมานับหนึ่งใหม่มันเผลอมันเผล อ, อยังไงมันเผล่คือมันเบลอเลอนะเบลอจะก่อนแทบเรียวหายใจเข้าหนึ่งคือเป็นเลขขี้เออขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ไปถึงร้อยถ้าไม่เผลอไปว่าสติของเราดีเออแล้วก็นับตั้งสามสามสีห้าหกครั้งแล้วก็ปล่อยวางเอาพุทโธต่อเออแต่มันมันไม่ถึงนะ กลับไปนี่ให้ทดลองดูก็ได้นะทศายาโวงลูกหลานนะออไปนั่งภาวนาให้นับดูหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองเพื่อเผอไม่ถึงสิบปีสังหากบางคนไม่ถึงยี่สิบปีต่างหากมันเผอเอแปลว่าเผือก็ตั้งสติใหม่แต่พอเราตั้งสติให้ดีไม่นานเออเราก็นับได้ใช่ไหพอนับได้อืสติมันมันเผือเวลามันจะเผือมันเป็นอย่างนี้เองนะมันเบลอซะก่อนจากนั้นก็มันเผือไปนี่แหละให้พวกเรานับ เอขี่คู่ขี่คู่ไปแต่พอมันจะเบลอเนี่ยมันจะคู่ขี่นะทีนี้มันไม่ใช่ขี่คู่นะนี่แหละถ้ามันไม่ถ้ามันเอคู่ขี่นะ้วไปว่านับใหม่อย่าไปนับไปข้างหน้ากลับมาใหม่อีกอพอกลับมาใหม่อีกถ้ามันไม่เผลอนับไปถ้ามันเผลอจุดไหนกลับมาใหม่อีกนี่เราจะได้รู้ว่าวิธีฝึกหัดฝึกสติของเรา ต่อไปสติของเราก็จะเข้มแข็งไปเรื่อยๆแต่นี้เมื่อสติของเราเข้มแข็งเราก็ภาวนาพุโทโธพุโทโธพ อ, อพุโทโธเสร็จแล้วนานๆเราก็มาทดสอบอีกว่า เ, เป็นยังไงสติของเราอย่างดีไหมนี่แหละอันนี้ก็คือวิการวิธีการฝึกสติอยู่กับให้อยู่กับตัวเองในเมื่อเราฝึกสติหลายครั้ ง, งหลายหนเมื่อสติเราดีแล้วนะเออ แล้วยังนำมาพิจารณาทางวิปัสนาเดินวิปัสนาต่อไปใช่เอออันนี้คือสมถตคือทาจิตใจให้สงบมีมากมายมีมากหลากหลายครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันนี้นะแต่ถึอยังไงก็ตามหลวงพ่อขอย้ำเตือนเคบอกกล่าวสมาธิคำว่าสมาธิสมาธิคำนี้ถ้าว่าครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวไป ก็ให้พวกเราศึกษาแต่จะไปเชื่อคำหลวงพ่อทีเดียวนะให้พวกเราฟังเอาไว้นะแต่บางทีบางคนกพอนั่งอธิบายคนนั่งสมาธิทำไมเป็นบ้าเป็นบอเป็นเบอร์เบอร์ไปขาดจิตไปเหมือนกับเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาเพียงไรก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าเวลาเรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธพอจิตใจสงบพอสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้ว ครูบาอาจารย์ก็แนะนําสั่งสอนว่าเออเมื่อจิตสงบแล้วให้พิจารณาเพ่งออกไปข้างนอกซิไปดูสวรรค์ซิไปดูนรกซออิไปอยู่คนเกิดคนตายซิไปดูอดีตชาติของตนเองซิจากนั้นก็ระลึกถึงอดีตชาติของตนเองเมื่อกระลึกได้นะพอส่งปุ๊บปลุกไปพอจิตมันเป็นหนึ่งอยู่แล้วจิตสงบอยู่แล้วเป็นหนึ่งส่งปุ๊บไปกัเห็นทันทีไม่หมจะเป็นของจริงนะสตารายาชนพอพูดได้เลยนะอ่พอพูด บอกกล่าวได้เลยว่าจริงเ อ, อโดยมากเลเปี้ยเลยล่ะถ้าไปมองไปหารางวัลที่หนึ่งอาจจะเจอแน่ๆแล้วง้นเถอะเออเพราะว่ามั่นเชื่อมั่นเลยแต่พอต่อไปต่อไ ป, อไปเนี่ยพอนั่งไปจิตไม่เป็นสมาธิจะเนี่ยพอจิตออกไปมันมันสวบมันอยากจะไปดูเลยจะเนี่ยพอจิตอจะไปดูสัญญากับสังขารเน่ยมันจะวิ่งนําหน้าเลยจะเนี่ยมันไม่เป็นสมาธิใช่แล้ว สัญญากับสังขารคือความปรุงแต่งเข้าไปจากนั้ใจคนเราก็ออกไปข้างนอกเพราะใจข้างนอกทีนี้ก็ผิดแต่ไ่นมันไม่ใช่จริงแเสียมันผิดเพราะมันผิดก็ยังเชื่อมั่นในตัวเองว่าเข้าไปเจ้ายังเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจอยู่เพราะมันจิตใจมันเน่งมันมันมันมันเป็นอุปจาระใช่ไหมในขณะที่ไปผลในสุดมันก็เผลอไผลไปทางอื่นออกนอกลู่นอกทาง เพราะใส่วนก็เลยเป็นบ้าเป็นบอไปก็มีมากอมากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเลยบอกว่าถึงสมาธิมีพระคุณมีพระคุณแต่ก็มีโทษแฝงอยู่นะทายาติโยมลูกหลานนะให้ศึกษาจุดนี้เหมือนกับอาหารอยู่ในสําหรับกับข้าวอยู่ในจานของเราเอถึงจะเป็นอาหารก็เถอะแต่พวกเราต้องเลือกนะบางทีอาจจะมีกระดูกมีก้างอยู่ในนั้นด้วยถ้าเรากินทั้งก้างทั้งกระดูกเข้าไปมันก็ติดคอนะนี้ก็เหมือนกันนะ สมาธิถึงจะมีคุณค่าก็จริงอยู่แต่ว่าเราใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเราใช้ไม่ถูกนะไม่ถูกตามแนวแถวของพุทธะตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแล้วทำให้เสียหายได้หลงทิศลงทางได้เหมือนกันนะ เ, เป็นบ้าเป็นบอได้นี่แหละเรว่าถ้ามันเป็นลักษณะนั้นเรียกว่าวิปัสสนูปุกกิเลส เ, เป็นไม่ใช่วิปัสสนานะ เ, เป็นกิเลสมันแฝงมากับสมาธินะ อมันแฝงหมากับปัญญาพราฉนั้นขลอยพวกเราท่านทั้งหลายศึกษาแต่ถึงยังไงหลวงพ่อบอกกล่าวไว้เลยถ้าพวกเรานั่งสมาธิบางคนก็นั่งสมาธิลงไปแล้วเห็นผีเห็นเทวเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นสิ่งที่น่ากลัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงองค์หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่าไปดูนะให้ย้อนกิจย้อนย้อ น, อนใจมาหากรรมาฐานเดิม อันดับแรกเราภาวนาอะไรเราภาวนาพุโทโธกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพอไปเห็นนิมิตเหล่านั้นแล้วอย่าไปตามดูอย่าไปดูนิมิตนั้นให้ย้อนจิตใจเข้ามาหากรรมฐานเดิมมาหาวันกรรมพุโทโธเนี่ยนิมิตเหล่านั้นมันจะหายเองเหมือนปิดทิ้งทงงนันวลางี้ะแต่อย่าไปดูอีกนะเอพอมันปิดพอมันเป็ น, น, ป, นปุ๊บขึ้นมาก็กำหนดมาหากรรมฐานอย่าไปหลีหนีจากหลักตัวนี้เ อ, อถ้าไปหนีจากหลักตัวนี้ไม่เป็นไร เรียดหลักพุโทโธคือกรรมฐานเต็มใจที่แรกาจากนั้นเราเมื่อจิตใจของเรามันนิ่งสงบคาว่าสงบคำนี้คืออะไรคือจิตใจของเราพอกำหนดลมหายใจเข้าไปแล้วมันนิ่งเข้าไปเป็นคณิกะสมาธิจิตใจมันเย็นว่ามีความสุขในความรู้สึกของเราอันนี้คือว่าจิตที่เป็นคณิกะเป็นว่าจิตใจสงบชั่วคู่ชั่วขณะหนึ่ง เอออันนี้แปลว่าเราก็จําไม่หลือเหมือนโอ้ใจของเราแปลกในช่วงนั้นเหมือนกับเผลอหรือเหมือนคําเค็มหรือมันจะหลับหลับหรือกไม่ทราบแต่จิตใจก็โอ้โหมีความสุขจริงๆนี่นี่เรียกว่าคณิกะสมาธิแต่จิตที่เป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตใจของเรากําหนดลงไปสติรครับจิตติดตามกันนะเอ่อจิตของเราคิดอะไรสติของเราตามทันตามความรู้สึกนึกคิดอันนี้คือว่าจิตอยู่ใน ถ้าว่าเป็นวัวหรือเป็นควายไปว่ามีเชือกมีเชือกมัดไว้อยู่เชือกล่ามไว้อยู่ไม่ให้มันออกนอกรูนอกทางฮะไม่ให้มันตเตลเิดเปิดเปิงเพราะมีเชือกมัดไว้อันนี้อุปจาระสมาธิแต่จิตใจยังออกยังได้ยินเสียงทางหูตาไม่ต้องว่าตาหลับอยู่แล้วนะหูเราได้ยินยังไงความสัมผสัสของเราอยู่ยังไงเรารู้ได้ในจิตที่เป็นอุปจาระนะแต่จิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่ง เพราะจิตใจรวมสมบงบลงเป็นหนึ่งสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้เรียกว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิถึงจะเป็นยังไงก็ตามนะไม่มีไปเกินกว่านี้นะแปลว่าสูงสุดของสมาธินี่คืออัปปนาสมาธิออเีนี้บางท่านบางคนเขาว่า เ, เวลานั่งเข้าไปแล้วขณะนี้จิตของเราอยู่ในฌานไหน ไม่อยากจะดูช า, ญานญาณรัตนะดูชานแต่หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าชานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตใจไม่เป็นสมาธิชานจะไม่เกิดเอเพราะฉะนั้นเราจะไปสนใจเรื่องชานเรื่องต่อจุดใจเรื่องสมาธิเอาสมาธิให้ได้ซะก่อนเมื่อจิตใจของเรารวมเป็นสมาธิจิตใจเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะ จิตเป็นอะไรสติเป็นอันน้นพอถอนขึ้นมาเราจะมีความสุขเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าวา่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราได้สัมผัสในจิตใจสงบประเภทนั้นคือจิตใจสงบนิ่งนี่แหละหลักธรรมคาสอนเราก็รู้ได้อีกว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูงเลยนะพ่อจิตใจของเรา เมื่อมันสงบนิ่งหยองนั้นแล้วกายกับใจเป็นคนละอ่านกันเห็นได้ชัดเลยเยถึงจะอยู่ด้วยกันกับเหมือนกับน้ํากับน้ํามันมันคนละอ่านกันหลวงพ่อเลยมาเปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังว่าเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายนนั้เป็นคนละอ่านกันร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับนี้ก็เหมือนกัน เมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าโอ้ร่างกายของเราเนี่ยเผาฝ่ายทิ้งแน่ๆตายแน่ๆ แ, แต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยในเมื่อจุดนั้นออกมาใจของเราจะออกออกจากร่างตามแนวแถวของพุทธะตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวจริงใจกับกายเห็นได้ชัดเลยเอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงได้เชื่อว่า ตายแล้วไม่สูตรตายแล้วเกิดอีกตัวที่เกิดอีกคือใจพราะพระพุทธเจ้าซึงท่านจึงให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายท่านบอกว่ามนโนปุพังขมาธรรมามนโนเศรษามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะาทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อแนะนอสมาธิวิธีการทำสมาธิเบื้องต้น ให้กับพวกลูกหลานคณะตถายญาติโยมได้ฟังนะวิธีการนั่งทำยังไงข้อสำคัญย้ำอีกว่าในเมื่อเราจะยืนเดินนั่งนอนแต่นอนหลับไม่เอานะยืนเดินนั่งนอนไม่หลับเราให้มีสติสัมปชัญญะจะเดินจะยืนยังไงจะนั่งยังไงจะนอนยังไงจะยืนยังไงก็คือสมาธิทำสมาธิแต่ถ้าว่าพวกเรา จะนั่งขัดสมาธิก็เถอะนะแต่จิตใจของเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นั่งสมาธินั่งปุ่งนั่งฟุ้งนั่งซ่านยืนเดินนั่งก็เหมือนเดียวกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านการที่จะเดินไปที่ไหนก็ตามให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินไปในทุกวริยบทนั้นๆ่ละคือการทำสมาธิอยู่ตลอดเวลาเลือกทำความเพียรอยู่ตลอดเวลานะ ฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านแต่ถึงยังไรหน้าที่การงานของเรารัดตัวเราทําขนาดไหนได้ขนาดไหนก็ทําขนาดนั้นล่ละแต่ว่าขอเน้นย้ําที่ว่านั่งภาวนาไปแล้วส่งจิตออกนอกตัวนี่ก็ให้ระมัดระวังอีกเหมือนกันถ้าจะเป็นการดูถูกพระพุทธศาสานาบอกว่าเอ๊ะทำไมคนภาวนาแล้วทําไมเป็นบ้าเป็นบวบ้องบ้าบองบองเพราะเหตุอะไรนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลูก ป, ปูมั่น ่ท่านจึงสอนดัง น, นั้นการเรียนการศึกษาเรียนกับเรียนเรียนกับพ่อกอกับครูเรียนให้สุดให้จบนะอย่าไปเรียนครึ่งครึ่งกลางๆถ้าเรียนครึ่งครึงกลางๆเนี่ยเสียหายได้เราต้องฟังต้องศึกษาในจุดนี้นะถ้ามีความสงสัยก็ถามครูบาอาจารย์ที่มาท่านมาแสดงทำให้กับพวกเราฟังล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับผู้ได้ยินได้ฟังทั้งนั้นล่ะนะ การพูดในวันนี้ก็เดี๋ยวจะเกิดเวลาเลยเวลาของลูกของหลานแล้วสินี่นะการกล่าวสมโภชในยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสงควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพัะศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนุภาพบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองจาาต่ายาตยมลูกหลาน จงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้ขอให้สมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเถอสาธุอาราพอนะสนินะศรัทธาญาติโยมลูกหลานไปที่ไหนน้ำใจของชาวพุทธล้นหลาม <c oughs> ที่หลวงพ่อไปที่ใดหลวงพ่อบอกว่าเออช่วยกันยอดฉัดเจดีย์ตงตรงตานะเหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อไม่ได้กระอาบไม่ได้กระดากายนะเพราะว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วไม่ใช่ของหลวงพ่อใช่ไหมเป็นของของทุกคนใช่ไหมเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าให้ช่วยกันสร้างเจดีย์นะเ อ, อเราทําอย่างอื่นซื้อก๋วยเตี๋ยวกินอย่างซื้อได้เราจะสร้างเจดีย์เพียงร้อยบาทไม่ได้เหรอ ลงตาหาทองคําเข้าขักคลังหลวงให้กับประเทศชาติทั้ง13ตันอทองคำํำดอนล่าอีก10ล้านกาดอนล่าให้กับคลังหลวงประเทศไทยทุกวันเนี่ยเราได้ใช้เงินมีคุณค่ากวพ่ อ, พอเนี่ยชวนหนึ่งของปัจจัยลวดทองคําของลงตาค้าแบ่งชาติไว้อยู่ทั้ง13ตันนะถ้าคิดเป็นเงินออกมาเป็นกี่หมื่นล้านมันอาจจะถึงสองหมืนล้านต่อหลวงพ่อลองลอ ง, ล ง, ลงคิดดู มันเครื่องคิดเลขมันหมดมันตดดหมดตัวเลขอะไรคิดไม่ออกหลวงตาทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติขนาดนี้แหละเพราะนั้นโค้งสุดท้ายของหลวงตาเนี่ยลูกหลานจะไม่มีใครคิดถึงช่วยหลวงตาบ้างเอลอหลวงตาทั้งว่าเนี่ยมุ่งหวังอะไรหลวงตาจดติดนิพพานไปแล้วเป็นหน้าที่ของพวกเราจะแสดงออกซึ่งความกระตันอยู่กระตวเวทที่ตาตะองหลวงตาต้องพูดพูดอย่างนั้นนะ อไม่ใช่อย่างอื่นคืนหลวงพ่อพูดเพื่อความแสดงความกระตันอยู่กะตะเวทิตาต่อผู้มีอุปการคุณคือหลวงตาเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการก่อนเออนี่ยแหะวัดนี้พวกเราเมื่อลองตาจากไปแล้วพวกเราก็แสดงความกระตันอยู่กระตะเวทิตาในพระคุณขององค์หลวงตาหลวงพ่อพูดได้เพียงแค่นั้นนะเพราะนั้นคุงพ่อไปเสด็นที่ไห น, น, นเราก็ช่วยๆกันนะลูกหลานเนี่ยสร้างเจดีย์หลวงตา อต่นี้เจดีลงตาเนี่ยเซ็นสัญญาไปแล้วนะจะพาอพระเจดีกับพ่อวิหารสองอย่างเนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบล้านเงินพอแล้วนะ อ, อพิพิธภัณฑ์เซ็นสัญญาเมื่อวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบสิงหาที่ผ่านมาและเมษาที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านพอแล้วนะ แต่ว่าตกแต่งภายในพระเจดียด์กับพระวิหาร49ล้านคือหินไว้เค ล, ลาลาหินแบบวัดเบนจามาบอพิษและหินพัที่นั่งอันตน์ที่เอาเหินไว้คลาลาเข้ามาตกแต่งพระเจดียด์กับพระวิหารอันนี้จะใช้อยู่49ล้านเดี๋ยวนี้ยังขาดยังไม่พออยู่24ล้านสามแสนเออเนี่ยแต่เนื้อหาสาระในพิพิธภัณฑ์ ที่จะเข้ามาเนี่ยวันที่ยี่สิบสามตุลาเนี่ยเขาจะเอาเนื้อหาสาระเข้ามาแล้วก็จะเขากดยื่น เ, เขาจะยื่นเจ็บริษัทนะเขามายื่นะซึ่งกับคณะกรรมการว่าเขาจะทําได้เท่าไหร่ในเนื้อหาสาระพิพิธภัณฑ์ของหลวงตามีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนอยู่ในพิพิธภัณฑ์คือประวัติของหลวงตาอยู่ในนั้นหมดหลวงตาเกิดที่ไหนหลวงตาออกบวชได้อย่างไร หลวงตาไมีศรัทธาไม่ได้ออกบวชหลวงตาไม่มีศรัทธานะพ่อแม่ขอร้องให้บวชนะอันนี้น่าศึกษาหน่าศึกษาประวัติของหลวงตานะพ่อบวชเข้ามาแล้วท่านทำไมอยู่ได้เนยจากนั้นท่านก็ไปเรียนหนังสือจากนั้นไปศึกษากับหลวงปู่มั่นเอกับยุคนั้นสมัยนั้นมีครูบาอาจารย์กี่องศึกษากับหลวงปู่มั่นมีหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ต่างๆเหลวงปู่ลาหลวงปู่วันหลวงปู่ชวนที่ศึกษากับหลวงปู่ม้าหลวงตาหมาบัวในเขา อยู่กับหลวงปู่มันเอจากนั้นพ่อแยกย้ายกันหลวงตาก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดดอยธรรมะเจดีท่านประกาศตัวของท่านเองว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกเป็นอนันตาการที่วัดดอยธรรมะเจดีอันนี้คือหลวงตาท่านพูดไม่ใช่หลวงพ่อพูดนะให้ไปศึกษาเอ <c oughs> ในจุดน้ําบนใบบวัวที่หลงตาพูดนะเอจากนั้นก็ เ, เมื่อเสร็จแล้วท่านก็มาประกาศมาสอนธรรมที่วัดป่าบ้านตาด มาสร้างวัดป่าวันตาดมีพระฝรัง่งมีพระไทยมีพระต่างชาติเข้ามาเยอะแยะท่านก็เทศออกไปนี่ที่อย่างลุงพ่อมาได้ยินเสียงเทศลงตาตอนเข้ามานี่นี่แหละธรรมเทศนาของลงตาจะยกยมากมายที่ท่านแสดงธรรมออกไปแล้วก็จะเอาเข้าจุดไหนที่เป็นคําพูดที่วัดเด็ดเด็ดจะคัดสรรเข้ามาในหนังสือเป็นเนื้อหาสาระนะนะภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ จากนั้นก็หลวงตาช่วยโลกสงเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียน เ, เครื่องมือแพทย์มากมายที่รงสารสงเคราะห์และจากนั้นมาบ้านเมื่อปีสามสิบเก้าสี่ศูนย์ยุคไอเอมเอฟพวกเราก็คงจะจำได้เลหลวงตาออกมาหาทองคำเข้าคัางหลวงอีกถึงสิบสามตัน เงินอีกและจากนั้นลงตากับจุตินิรพานอายุเก้าสิบแปดปีนะลุงตาจากไปนะนี่แหละอันนี้ก็คือเอาประวัติของลุงตาเข้าไปในในพิพิธภัณฑ์นั้นในหะ้เข้าให้ลูกหลานได้เข้าไปได้ศึกษานะนั้นได้กําลังทํากันอยู่นะแต่จะตุปัจจัยเนี่ยพอไหมยังยังไม่พอแต่หนักใจไหมไม่หนักใจเนี่ยเพราะไม่หนักใจพ่ออะไรลูกพ่ออาจจะอาจจะยังไม่ครับขันมั่งแต่พิพิธภัณผ่านมานะ หลวงพ่อเอ้ยอดฉัดเจดีย์ของลงตาเนี่ยจะเป็นอะไรที่แรกเขาเขาออกแบบว่าเป็นทองเหลืองอาจารย์มหาวิทยาลัยศรลรัชกรเขาออกแบบเขาออกแต่เขาไม่พูดอะไรแต่เนี่ยหลวงพ่อก็หาจะส่ง ป, ปัจจัยกับทางวัดเนะ่ะช่วยพวกเงินมันยังไม่พอนะ่ยแต่ผลในสุดอมีศรัทธาลงมากรุงเทพนะ เ, เขาบอกว่าพุทธคยาประเทศอินเดียนะ สร้างสิบหมู่เขาทำยอดฉัตรพระเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้านะทองคำเกือบสามร้อยกิโลเข้าไปหลวงพ่อโอ้าไดอนี้ก็ไปขึ้นไปอีกหม่อมหลวงศาลาเลกิิยากรไปสร้างสัตว์จอดพระเจดีย์ของท่าอุเทนหลวงปู่ท่าอุเทนอีกพระเจดีย์อีกอของลงตาดนี่เป็นอะไรเนอะก็เลยถามผู้ออกแบบอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรเฮ้ยอาจารย์ เจดีย์ของหลวงตาเนี่ยยอดฉัดเจดีย์หลวงตาจะเป็นอะไรผมออกแบบเป็นทองเหลืองครับนหะรออ้าวตายามันไม่ไม่น่าจะถูกต้องแล้วเพราะว่าหลวงตาหาทองคําเข้าควางหลวงมากมายพอยอดฉัดเจดีย์ของหลวงตาเนยจะเป็นทองเหลืองไม่น่าถูกแล้วนะเนี่ยหลวงพ่อกอะไรเออปรึกษากับคณะชักทายญาติโยมลูกหลานนะพระเนนทั้งชักทายญาติโยมน่าจะเป็นทองนะเออเอาทองก็บทองเราจะเอาเสิ่งไหนเอาเปิดบัญชี ถ้าว่าจะให้บ้านตาดเปิดบัญชีก็คงจะบีบบ้านตาดเกินไปที่เขาออกแบบก็ดีแล้วเพราะว่าถ้ า, าออ ก, อ, กออกแบบเป็นฉัดทองคำนะเนี่ยก็เหมือนกับบีบสีเดี้วในสีของลงตาที่เขาออกเป็นทองเหลืองถ้าว่าพวกเราอยากจะได้ของดีอยากได้สงศิลงามเหมาะสมกับองค์ลงตาลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องช่วยกันคิดเอเพื่อเพิ่มเข้าอีกอันนี้เขาออกเป็นทองเหลืองก็มันก็ถูกต้องแห ล, ละอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้หลวลงพ่อก็เลยเปิดบัญชีขึ้นมาเอุบตุบ ต, ต่อมตมเหมือนกันนะถามว่าจะเอาเท่าไหร่หรวงท่านอาจารย์หลวงพ่อหลวงพ่อว่าเอาสักเก้าสิบแปดกิโลเท่ากับอายุหลวงตาอาน่าจะพอมั้งแต่พูดกันแล้วก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะตุบตุบต่อมตมตุบตุต่อม ต, ต, ตอมควบมันจะไปได้เหมือนกันแนตะ่เขาได้ไม่ได้เป็นไรวะแต่มันต้องมีจุดยืนเอาไว้วะเพราะในสุดพอพูดไปแล้วกันนะ่ะมี สนองตอบรับออกมาอะไรกันเนี่ยที่สวนจังทามก็พระองค์โสมสวรีกับหม่อมส า, ารีถอดผ้าปา่าวันนั้นก็ได้สิบห้ากิโลนะลูกหลานนะที่สวนจังทามจากนั้นก็มีผู้สนองท้งจังหวัดต่างๆสง่สงเข้ามาโพี่สดได้ทองคำทั้งหมดหนะึ่งร้อยเจ็ดสิบสองกิโลเนี ช่องคำนะ7ะเจ็ดถึงร้อสิบสองก็เงินอีกสามสิบสามสิบล้านบาทเออทีเงินที่มัน ท, ทีเงินนันเหลือนะสมสบล้านบาททีเงินเหลือนี่แหละอันนี้หลวงพ่อเ็คิดว่าอืมแต่ที่มาหล่อยอดพระเจดีเมื่อวันที่สิบเอ็ดเก็บเข้าไปในพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อก่อนลงมาในวันนี้วันที่สิบสี่ใช่ไหมละ่ะจัดททายญาติโยมเออแล้ววันที่สิบเอ็ด เก็บเขาไว้ในครัง เ, เก็บไว้ในตู้นิรภัยของธนาคารที่จังหวัดอุดร เ, เก็บยอดฉัดที่หล่อไว้แล้วนะสูงหนึ่งเมสามหนึ่งเมสามสิบหนาประมาณครึ่งเซนแต่แกนกลางเป็นทองแดงใช้ทองประมาณกะกะที่แรกกะกะไว้ประมาณสักเท่ากับอายุดองตานั่นแหละแต่คงจะไม่ถึงเนะี่ยมัน พอเทเข้าไปมันมันทองมันยังเหลืออยู่นั่นแหะแต่แต่พอพอไหมแต่นีพอเทเสร็จแล้วแต่นี้ที่เรียกว่ายอดฉัดลงมาถึงข้างล่างนี่คือทุนกระหม่อมฟ้าหญิงพระองค์ท่านเป็นเออเป็นเป็นลูกสาวเนะ่ะเขาท่านวท่านมีสิทธิ์ได้ทำได้ห้าห้าฉัดนะฉัดห้าชั้นนะนะแต่เป็นในหลวงเนี่ยสิบชั้นอ้เก้าชั้นนะ แต่พระองค์ท่านในห้าชั้นนะครว่าพวกผู้ออกแบบก็เลยทําเป็นห้าชั้นเพราะพระองค์ท่านเป็นเป็นประธานในการออกแบบเจดีย์ของหลวงตาในทูลก็บ อ, มพ อ, อกพระหญิงนะอเป็นประธานผู้ออกเป็นประธานใหญ่แล้วก็ลูกสาวของท่านพระองค์เจา้าสิริพาจุธาภรณ์เนี่ยเป็นประธานผู้ออกแบบกับคณะกรรมการมหาวิทยาลัยศิลปากรนะประเจดีของหลวงตานะแต่นในสร้างขึ้นมาแล้วก็ประมาณถ้าเกือบห้าสิบเปอร์เ็แล้วนะ เดี๋ยวนี้สร้างขึ้นมารู้สึกว่าคนงานตังสองสามร้อยคนวันนีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ธรรมดาทากันมันลุ่มมันตุ้มมันลุ่มมันตุ่มเะจะตุปัจัยกันเนี่ยนะยังขาดเจที่มันขาดนะว่าที่มันพอก็พอกันเถอะอันที่มันพอก็พอแล้วงันเถอะอันที่มันขาดก็ยังขาดอยู่พอกั้นเะอะเพราะฉนะะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะเออพอถือว่าถ้ามันลง่มตา มหาบัวของเราเป็นผู้มีพระคุณถ้าพวกเราไปกราบโอ้พะเจดีของโรงตาเนี่ยข้าไปเจ้ามีส่วนมีส่วนได้ทำบุญร่วมอยู่ในในพะเจดีของโรงตาเราก็จะได้ภาคภูมิใจไม่ใช่เหรอนะอะอรับพอแน่ยรูกหลานจะไปทำงานวันนี้มันเกินเวลาหรือเปล่าเนี่ยวะ